พระธรรมเทศนาแผ่นที่หนึ่งร้อยสองลำดับที่สิบหกโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่ยี่สิบธันวาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้ามีชื่อเรื่องว่าตรวจสอบถุงบุญตัวเองมาสู่วัดอย่างน้อยก็ต้องมีสี่ห้า พระท่านอยู่ด้วยกันท่านมีสินส2งีจ่างอยู่ในครัวบางครั้งก็สินอุโบสถสิน8ปดแล้วก็ถ้าหางว่าเป็นสินทุกศรัทธาญาติโยมทั่วๆไปเขาก็มีสินห้าแต่อยู่ในวัดนะสินห้าของพระพุทธศาสนาเป็นสินที่คุ้มของโลกทำให้โลกทั้งโลก ร่มเย็นเป็นสุขไว้เนื้อเชื่อใจกันสินสินนี่คือกฎระเบียบถ้าหากว่าพวกเราไปอยู่ด้วยกันถ้าไม่มีกฎหมายคุ้มครองไปอยู่ที่ประเทศที่กฎหมายไม่มีกฎหมายอย่างไปอยู่เป็นคนป่าอย่างนี้นคนหมายที่มีกำลัง เขาก็มาแย่งมาชิงเพราะไม่มีกฎไม่มีกฎกติกาในหมู่ในคณะถ้าประเทศไหนที่เขามีกฎกติกาเข้มงวดกวดขันเราก็สบายใจถ้าว่าประเทศไหนที่เราไปแล้วกฎหมายของเขากฎระเบียบของเขาละหลวมเราก็ระเพียงระวังเหมือนกั น, เ, นเพราะเหตุใดเพราะกฎของเขา ละลวมไม่รู้อันตรายจะเกิดขึ้นกับเราได้อย่างไรเราต้องระวยงระวังถ้าว่าไปอยู่ด้วยกันก็ต้องมีเวรยามตรวจตราไม่ไว้ใจเพราะเหตุใดเพราะว่าชุมชนในกลุ่มนั้นไม่มีกฎกติกาไม่มีกฎหมายถ้าใครทำไปแล้วก็ แล้วไปไม่ได้จับหลงมาจับไม้ใส่โทษผู้ที่เขาก็ทำเขาก็ไม่กลัวเพราะไม่มีกฎหมายห้ามเขานี่แหละอันนี้คือกฎระเบียบการอยู่ด้วยกันนี้ก็เหมือนกันหลักของพุทธศาสนาท่านจึงให้มีศีลห้าศีลห้าคือกฎระเบียบการอยู่ด้วยกันเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจกันศีลข้อที่หนึ่งอยากคิดฆ่ากัน เ, เมื่อเราไปคิดค่าเขาเขามาคิดค่าเราไม่ดีแต่เมื่อค่าเขาเขาก็เดือดร้อนในเมื่อเขามาคิดค่าเราพี่น้องลูกหลานปวงสาคณนายาตของเราเราก็เดือดร้อนเหมือนกันทุกใจเหมือนกันเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติสินการอยู่ด้วยกันอย่าคิดค่ากันข้อที่สองอทิ น, นาทานอย่าคิดขโมยกัน ถ้าเราขโมยของเขาเขาก็เสียใจถ้าเขามาขโมยของเราเราก็เสียใจมาขโมยพ่อแม่พี่น้องลูกหลานของเราไปเรียกฆ่าไถ่มันไม่ใช่ขโมยธรรมดาเมื่อเราไปทําให้กับเขาเขาก็เดือดร้อนถ้าเขามาทําให้กับเราเราก็เดือดร้อนเช่นเดียวกันผลนั้นให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันสิ่งข้อที่สอง ข้อที่สามกาเมสุมิจฉาจาราวระมณีสามีภรรยาลูกหลานของใครของเขาเขาก็รักสังวนห่วงแหนเป็นของเราก็เหมือนกันเราก็รักสังวนห่วงแหนเหมือนกันลูกหลานของเราสามีภรรยาของเราถ้าเราไปล่วงล้ำเขาเขาก็เสียใจยถ้ามาเขามาล่วงล้ำเราเราก็เสียใจยเช่นเดียวกันเพราะนั้นให้ครบสิทธิ์ซึ่งกันและกันอันนี้คือสี่ข้อที่สาม ข้อที่สมุสาวาทเาวรมณีอย่าไปโกหกต้มตุนหลอกลวงคนอื่นเขาถ้าเราไปต้มตุนหลอกลวงโกหกเขาเขาก็เสียใจในเมื่อเขามาต้มตุนหลอกลวงโกหกเราเราก็เสียใจโกหกน่มันมีมากหลากห ล, ลายหลายๆลายอย่างไปโกหกของปลอมเงินปลอมว่าเป็นเงินแท้ เช็คไม่มีเงินเขียนให้เขาเขาไปขึ้นเช็คแล้วไม่มีเงินเขามาทำให้กับเราเราไปทำให้กับเขาเขาก็เสียใจเราก็เสียใจเมื่อไปเจอเช่นนั้นนะอันนี้คือศินข้อที่สี่มุสาวาทาเว ร, รมะีสรุปแล้วคือศินของพระพุทธเจ้าที่เรามองดูแล้ววิเคราะห์ดูแล้วนะ เอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาในเมื่อเราไปทำให้กับเขาเขาก็เดือดร้อนในเมื่อเขามาทำให้กับเราเราก็เดือดร้อนเพราะนั้นให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันสิทธิของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ไม่ได้อยู่อื่นไกลนะอยู่กับพวกเราทุกๆคนแล้วก็สินงข้อที่หสุราเมระยะมชะประมาณการดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท เมื่อเราดื่มสุราคันชายาฝิ่นเฮโรอินยาหมายาบ้าโคเคนอันไหนก็ตามถ้าเราดื่มหรือเสพเข้าไปแล้วขาดสติในเมื่อขาดสติแล้วทำความชั่วในทุกอย่างเพราะคนขาดสติขาดการยับยัง้งขาดการจำนึกเพราะว่ามันขาดสติฆ่าใครก็ได้ ฆ่าขาโมยใครก็ได้ลาบละล้วงในสามีภรรยาลูกหลานของใครก็ได้โกหกต้มตุนห ล, ลอกลวงใครก็ได้เพราะมันขาดสติเนะี่เพราะฉะนั้นศีลห้าของพระพุทธเจา้าถ้าเราวิเคราะห์ดูแล้วเป็นศีลคุ้มของโลกจริงๆเพราะฉะนั้นเมื่อเข้ามาสู่วัดวาศาสานาคนโบราณเขาจึงให้รับ สมาทานศีลในเมื่อมีกิจกรรมกิจการงานมงคลเรื่องงานอาวมงคลงานศพก็ดีงานขึ้นบ้านใหม่ก็ดีงานไหนๆก็ดามถ้ามีพิธีธส่งเขาจะให้มีการไหว้พระแล้วก็สมาทานศีลคือถ้าว่าเป็นผู้มีศีลด้วยกันแล้วมีแต่ความสบายใจไว้เนื้อเชื่อใจกันไว้หล ย, ยเพราะ สินคุ้มครองสินพวกเราทุกคนเป็นผู้มีสินนี้ก็เหมือนกันะครับพวกเรามาสูว่วัดวาศาสานานนก่อนที่จะถวายทานก็ควรจะมีสินซะก่อนเพราะว่าสินรักษากายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าสินเมื่อเรามีสินแล้วเราทาบุญทำทาน บุญกุศลก็จะเข้าสู่จิตใจของพวกเราได้สมบูรณ์เพราะอะเพราะเราล้างภาชนะรองรับบุญกุศลรองรับคุณงามความดีที่พวกเราจะต้องรับปฏิบัติถ่าตอนนี้ไปหลวงพ่ออธิบายเรื่องศีลให้ฟังแล้วก็พวกเรารู้คุณค่าของศีลแล้วนะ ต่อไปนี่หลวงพ่อจะเป็นผู้พานำสมาทานสินนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสีเลนะนิพุติงยันติตัตสมาสีลังวิโสทาเยเดี๋ยวหลวงพ่อจะกล่าวอะไรสักหน่อยนะถ้ามีจะมีปัญหาใครจะถามจะค่อยว่ากัน หลวงพ่อคงจะพูดอะไรไม่นานนะหละจากนั้นไปถ้าว่าพันผู้ใดอยากจะถามมีข้อข้องใจอะไรถามหลวงพ่อพอจะตอบได้ก็จะตอบให้พวกเราได้รับรู้รับทราบนะวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบธันวาคมพุทธศักราชสอง9ห้าอห้าสบเก้า วันนี้ถือว่าเป็นวันมงคลมาหามงคลวันหนึ่งที่ท่านโยมเจ้ากรมอดีตเจ้าโคมทหารอากาศท่านพุนสืบประสิทธิ์พร้อมกับคณะผี่พี่น้องน้องลูกหลานสหายธรรมทั้งหลายสามสิบเอ็ดท่านที่มาพักวัดหลวงพ่อ ในคืนวันนี้แล้วก็ก่อนที่ก่อนหน้านี้ท่านก็นได้รวบรวมพวกมงคอบสำหรับผู้มาปฏิบัติธรรมมากทีเดียวตังต้งแต่ห้าอห้าร้อยชุดห้าร้อยชุดอันนี้ก็เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มาปฏิบัติธรรม ถ้าว่าผู้ใดมาเป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นคณะ <c oughs> ก็จะได้ใชุ้งขอบ เ, อเพื่อกันยุงกันพวกแมลงกันสัตว์เพราะเราอยู่ในป่ามีแมลงมากมายหลายอย่างมีตัวพึ่งบางกลางคืนตัวแตนตัวต่ อ, อตัวต่อหา ก, กินกลางคืนก็มี เพราะนั้นเราต้องมีอะไรคุ้ ม, มกันถ้าอยู่ในกุฏิก็ต้องมีมุ้งรวดถ้าอยู่ข้างนอกก็ต้องมีมุ้งครอบหรือมีมุ้ง เ, เพื่อความปลอดภัยของผู้มารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมกร น, นี้นนี่ก็เป็นประโยชน์ต่อพุทธศาสนกชนที่มาปฏิบัติธรรม แล้วก็วันนี้ก็ได้มาถวายอีกสมทขอบข้อปอีกให้ครบตามจำนวนหลวงพ่อเองในฐานะประธานสงฆ์วัดนาคำน้อยก็ขอขอบคุณและขอนมโมทนาจากพวกเราทุกๆ ท, ท่านให้ได้เป็นบุญเป็นกุศลสำหรับผู้ที่มาปฏิบัติธรรมได้นั่งสมาธิภาวนา ในมุงกดของเรานี่อันนี้ก็คือเป็นการสั่งสมบุญกุศลส่วนนึงเหมือนกันเน่แหละเก็บเล็กผสมน้อยในการสร้างบุญสร้างกุศล้าเห็นอะไรที่จะเกิดประโยชน์ต่อชุมชนต่อสังคมต่อคู่คนอย่างในหลักของพระพุทธศาสนาก่อนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพาน ท่านก็ได้สั่งเสียเอาไว้ว่าขายาวยธรรมมาสังขาราอั ป, ปมาเดนะสัมปาเดธาติสังขารทั้งหลายร่างกายสังขารเป็นของไม่เที่ยงเนะและก็พร้อมกันขอให้ท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดประโยชน์ตนก็จะได้ขาดตกปกพ้องการธรรมาหาเลี้ยงชีพสัมมาชีพ พวกเราแสวงหาทรัพย์ด้วยความหมันขยันอันนี้ก็คือประโยชน์ตนส่วนประโยชน์ท่านประโยชน์ตนมีหลายระดับประโยชน์ตนก็เนี่ยการประกอบความดีประกอบคุณงามความดีนั่งไหวพระสมาทานศีลไหวพระสวดมนต์ปฏิบัติธรรมประโยชน์ตนจะย้ายขาดตกบกพร่อง แล้วก็ประโยชน์ท่านก็อย่างที่นี่ก็ช่วยเหลือชุมชนสังคมที่มีมุ่งครอบมาเนี่ยอันนี้ก็คือประโยชน์ท่านสิ่งไหนที่จะเกิดประโยชน์พวกเราก็ได้ช่วยเหลือชุมชนไม่ใช่น้อยโยมภูกการบุญสืบที่ท่านได้ทําซื้อรถเอมโวรรนเครื่องไม้เครื่องมือแพทย์มีมากมาย ที่ท่านได้มอบให้หลวงพ่อกัพอมอบจิตุปัจจัยให้หลวงพ่อก็แล้วมองซ้ายแลขวาว่าจุดไหนจะเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อชุมชนในกลุ่มนั้นๆหลวงพ่อก็ได้มอบให้กับมอบเครื่องมือแพทย์หรือว่ารถแอมเบอ ร, รน์ให้กับโรงพยาบาลศูนย์อุรณ น, นี่แหละอันนี้เขาก็ยังได้ใช้ให้เกิดประโยชน์ อยู่นี่แหละอันนี้ก็คือทำประโยชน์ท่านพวกเราไม่ได้ตั้งอยู่ในความประมาทสั่งสมเก็บหอม้อมเร็บไปเรื่อยๆการสั่งสมคุณงามความดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในเมื่อเราเไม่พร้อมที่จะทำบุญทำทานการสร้างบุญสร้างกุศลไม่ใช่ว่าเราจะเอาเงินมาทำบุญทาทานเท่า น, นั้นจึงจะเป็นบุญเป็นกุศล เรารักษาศีลก็ใช่เราไหว้พระสวดมนต์ก็ใช่เรานั่งภาวนาทําจิตใจให้สงบยิ่งเป็นกุศลมหากุศลอันยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นการสร้างบุญสร้างกุศลมิใช่ว่าเราจะทําอันใดอันหนึ่งเพราะนั้นในหลักของพุทธศาสนาจะว่าให้ทานก็เป็นบุญกุศลทางหนึ่งศีลก็เป็นบุญกุศลอย่างทางหนึ่งภาวนา เขาเป็นปุญกุศลทางหนึ่งสรุปแล้วก็คือศินทานศินภาวนามันไปด้วยกันเหมือนกับสามสามขาย่างหลวงพ่อเปรียบเทียบว่าสามขาอย่างมันจะไม่ล้มทาน เ, าเกิดมาพบใดชาติใดถ้าเรามีอั น, นิสงทานเกิดมาพบใดชาติใดจะเป็นผู้ไม่อดไม่อยากการทำมาค้าขายจเจริญรุ่งเรือง เพราะไรเพราะอนกสงทานของเรามีทำอะไรก็เจริญไปได้ไม่ติดขัดเพราะอนกสงทานของเราดีคุ้มครองอนกสงสีลเราไปนสถานที่ใดปลอดภัยไม่มีใครคิดจะข่าเราเขาโมยของเราเขารบสิทธิ์ในสามีภรรยาของเราไ ม, ไ, ไม่โกหกต้มตุนหลอกลวงเรา อันนี้คืออเ น, นสงสินของเราที่รักษาไว้ในอดีตหรือในปัจจุบันอเ น, นสงสินคุ้มครองอเ น, นสงภาวนาเรามีภาวนามีสติสัมปชัญญะไม่ลุ่มหลงไม่มัวเมาเพราะว่าสติของเราพร้อมดีเพราะอเ น, นสงการภาวนาของเราจนถึงสติสัมปชัญญะที่เราจะ ภาวนาจนพ้นทุกข์ในวัฏสงสารก็ต้องอาศัยการภาวนาเป็นหลักเพราะนั้นทั้งศีลทั้งทานก็ดีทั้งศีลก็ดีทั้งภาวนาก็ดีเป็นเครื่องเกื้อกูลหนุนกันทั้งสามทั้งสามอย่างเพราะฉะนั้นให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านมิใช่ว่าในช่วงไหนเราทําทานก็เออทาทานไปแต่ร่วงช่วงไหนเร า, เ ร, ารักษาศีลก็รักษาศีลในช่วงไหนที่เรานั่งภาวนาไหว้พระสวดมนต์ เราก็ไหวพระสวดมนั่งภาวนาเราก็ไม่ต้องพระวักโภถึงทานไม่ต้องพระวักโภนถึงศีลพอเราภาวนาเนี่แหละในเมื่อเราทำทานคือเอามีเราก็ทำทานไปด้วยความเสียสละแต่ก็ต้องดูไม่ให้ตนเองได้คนอื่นเดือดร้อนนี่แหละหลักของพุทธศาสนาถ้าว่าพวกเราได้ศึกษาได้วิเคราะห์ดูแล้ว ล้วนแล้วจะเป็นคุณงามความดีสําหรับพวกเราทุกๆ ท, ท่านเพนั้นเราเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยในพบพระพุทธศาสนาได้พระมหากษัตริย์ไทยประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระองค์เป็นพุทธศาสนูปธรรมพกพวกเรานับว่าเป็นผู้โชคดีอย่างมากที่ได้เกิดมาในพื้นแผ่นดินไทย แผ่นดินก็ไม่ไหวน้ําก็ไม่ท่วมน้ําท่วมขึ้นมาคราวปีห้าสี่นั่ น, นนะพวกเราทําให้กันคัดน้ําให้มันท่วมกันเองแต่ตามไม่จริงน้ําก็จะจะไปไหลไปตามน้ําอยู่แต่พวกเราเนะี่ยเพราะคนมนุษย์เอารัดเอาเปรียบกันมันก็นเลยมีปัญหาเนะนี่ยแหละน้ําก็ไม่ท่วมตามตามปกติหนาวก็ไม่หนาวมาก ร้อนก็นไม่ร้อนมากไม่เหมือนต่างประเทศเขาเราได้ยินต่างประเทศร้อนก็จนถึงกับคนตายหนาวก็คนตายน้ำท่วมก็คนตายเยอะแผ่นดินก็ไหวบ่อยอันนี้พวกเราอย่างไม่ไม่เคยมีเสียหายเสียหายกับเสียหายธรรมดาอย่างน้าท่วมวัดหลวงพ่อก็เสียหายอยู่บ้างแต่พวกเราก็ไม่ได้เดือดร้อน เพราะเหตุใดเพราะมันไม่ได้มาท่วมหม้อข่าหม้อกแกงของพวกเรามันก็ท่วมตามภาษาของน้ําเราไปกั้นทางของมันมันก็ต้องท่วมมันก็ต้องไปตามน้ําไปตามกระแสของมันออมันก็ไม่เสียหายอะไรมากออนี่แหละอันนี้สรุปแล้วก็คือเราเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยแล้วก็พร้อมกันพร้อมกันพวกเราก็ดึพบพระพุทธศาสนา ได้พบพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่พวกเราได้วิเคราะห์ดูแล้วพุทธศาสนาเป็นาศาสนาเหตุผลอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าว เ, าเรื่องศีลมีเหตุผลอย่างไรเขาเราเขาเรานะในเมื่อเราไปทําให้กับคนอื่นเขาเขาก็เดือดร้อนในเมื่อเขาไปทําให้กับเราเราก็เดือดร้อนเช่นเดียวกันนี่แหละพุทธศาสนาสรุปแล้วก็คือาศาสนาเหตุผล ถ้าว่าพวกเราอยู่ด้วยกันไม่มีการเสียสละไม่มีการทําบุญทําทานถ้าไปมาหาสู่กันมีแต่ความอิจฉามีแต่ความคีต้ตณีทีเหนียวไม่มีน้ําใจต่อกันพวกเราคิดดูสิเราจะไปที่ไหนได้เนี่แหละอันนี้ก็คือการการอยู่ด้วยกันต้องมีฐานะคือเสียสละมีน้ําใจต่อกันนี่แหละหลักของพุทธศาสนาสรุปแล้วล้วนแล้วจะมี เหตุมีผลในเรื่องนั้น น, นเพราะฉะนั้นพวกเรานับว่าโชคดีที่ได้มาเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยได้พบบินธรรมชาติก็ไม่ได้เบียดเบียนเราจนเกินไปแล้วก็ได้พบพระพุทธศาสนาแล้ก็ได้พบพระมหากษัตริย์ที่พระองค์เป็นพุทธศาสนาุประถมภกเป็นผู้ทําคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้ยิน พระ อ, องค์สวรรคารายไปแล้วนะผลงานของพระ อ, องค์ปรากฏให้พวกเราได้เห็นมากมายมหาศาลคนคนเดียวพระ อ, องค์ท่านเดียวทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติพวกเราคิดดูสิมีใครบ้างในพื้นแผ่นดินไทยที่ได้ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติอย่างพวกเราท่านได้เห็นในสื่อ พระองค์เสียสละจริงๆเป็นพ่อที่ดีของประเทศชาตินี่แหละท่านไปเห็นสิ่งไหนที่มันดีต่างประเทศต่างชาติพอท่านตาสว่างตามองไกลหูได้ยินไกลตาได้มองไกลใจของพระองค์เห็นสิ่งที่จะเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติท่านคนนาสิ่งนั้นเข้ามาถ้าสิ่งไหนที่ไม่เกิดประโยชน์ ท่านก็ไม่เอาเข้ามาแล้วก็ท่านสอนสั่งสอนพี่น้องประชาชนผู้ที่ผู้คนอยู่ในชาติอีกต่างหากถ้าหากว่ามีการไม่เข้าใจทะเลาะวิแวงกันพระองค์ก็สอนพวกท่านทั้งหลายอย่าทะเลาะกันเมื่อการพวกเธอท่านทั้งหลายทะเลาะกันมันไม่ใช่เสียหายแต่เฉพาะคนสองคนพวกท่านทะเลาะกันเท่านั้นนะ ประเทศนะั้นเป็นประเทศชาติอจบพายนะแพนะ้เป็นผู้แพ้นะทำให้ต่างชาติเขาไม่มาเกี่ยวข้องทำให้ต่างชาติเขาไม่มายุ่งเกี่ยวทำให้ต่างชาติเขาไม่มาลงทุนทำให้ต่างชาติเขาไม่มาผูกสัมพันธ์ไมตรเีเราจะขายสิ่งของเราจะทำอะไรกับเขานะ เ, เราจะอยู่แบบโดดเดี่ยวเดียวดายมันไปไม่ได้นะโลกทั้งโลกมันต้องพึ่งพาอาศัยกัน พระ อ, องค์ก็ให้แนวความคิดต่อพวกเราทุกทุกท่านทุกๆุกคนคนในชาติล้วนแล้วจะเป็นเหตุเป็นผลทั้งนั้นให้พวกเราได้ฟังในโอ ว, วาทของอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือพ่อพ่อของประเทศเนี่ยนี่หละอันน้นับว่าพวกเราเป็นผู้โชคดีส่วนหนึ่งที่มาได้เกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยเพราะนั้นขอให้พวกเราเป็นผู้โชคดีอย่างนี้แล้วนะ ถ้าว่าพวกเราหลงลืมตัวไม่ตั้งตนไว้ชอบนะท่านเราตายออกจากชาตินี้ไปนะเพราะทุกคนต้องตายเลยไม่มีใครที่จะอยู่โช่ฟ้าตินสลายขนาดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัพวพระองค์เป็นผู้รับผิดชอบขนาดนั้นพระองค์จ้งต้องวางมือถึงคราวต้องวางมือแล้วพวกเราเป็นใครเราจะไม่วางมืออย่างนั้นใช่ไหมพวกเราก็จะต้องวางมืออีกเหมือนกัน เพราะนั้นก่อนที่จะวางมือนั่นน่ะเรามองดูสิว่าเรามีบุญกุศลหรือยังเราได้ประกอบคุณงามความดีใส่ใจของเราหรื อ, อยงเมื่อออกเราจะย้ายบ้านจากที่นี่แล้วเรามีทุนไหมคุณงามความดีเราเพียงพอหรื อ, อยังอันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องตรวจตราพวกเราทุกๆคนอีกเหมือนกันถ้าว่าพวกเราไม่ได้ตรวจตรา ไม่ได้คิดไว้ล่วงหน้าไม่ได้คิดวางแผนการดำเนินชีวิตของตนเองพอย้ายบ้านไปแล้วนั่นเราพวกเราจะได้ตกทุกข์ใดยากเพราะายเพราะเราไม่ได้คิดแต่ถ้าเราคิดไวเอาเถอะพวกเรามาเกิดมาด้ พ, พ, พ, พุทธศาสนาแล้วเราจะต้องประกอบคุณงามความดีอย่างน้อยเรามีศีลห้าไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นเคารพสิทธิผู้อื่น อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเรื่องศีลห้าเขาเราเขาเราจากนั้นก็เป็นคนดีอยู่ด้วยกันร่มเย็นเป็นสุขครอบครัวก็เป็นสุขสามีภรรยาลูกหลานทุกคนที่มาเกี่ยวข้องร่มเย็นเป็นสุขทั่วนหน้ากันอันนี้แหละการเป็นอยู่แต่พร้อมกันก็อย่าลืมเรื่องจิตตภาวนาอันนั้นมันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องส่วนตัวที่พวกเรา จะประกอบคุณงามความดีไม่ให้ตั้งอยู่ในความประมาทการภาวนาทำจิตใจให้สงบตามแนวแถวของพุทธนะน่เพราะเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านไปค้นคว้าศึกษ า, าที่เป็นบรมครูของพวกเราที่ท่านได้นั่งภาวน า, าที่โครนต้นโพที่พวกเราเคยไปประเทศอินเดียนะที่พุทธกายานะ่ตรงนั้นที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ พระ อ, อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณเมื่อท่านพระองค์ได้ตัดรู้นะ่ะท่านก็รู้ได้ว่าตายแล้วไม่สูนตายแล้วเกิดอีก เ, อเกิดพพหน้าชาติหน้ามีจริงเนี่ยร่างกายสังขารในตายแน่สูนแน่แต่นามธรรมคือจิตใ จ, ใจตัวรู้รู้นะ่ะตัวนั้นไม่สูนจึงต้องไปเกิดในภพภูมิต่างๆอีกต่อไปถ้าเราใจดวงนั้นตัวรู้รู้นะ่ะ คิดแต่ทำชั่วคิดช้ำคิดชั่วทำก็ชั่วพูดก็ชั่วกรรมชั่วที่ที่เราคิดทำพูดนะมันจะเข้ามาสู่ในจิตใจดวงนั้นถ้าเราคิดดีทำดีพูดดีบุญกุศลก็จะเข้าสู่จิตใจดวงนั้นเพราะนั้นหลวงปูล่ล่าท่านจึงบอกว่ามโนคือใจดวงนั้นละ่ะผู้รู้นะเป็นคลังของบุญเป็นคลังของบาป เป็นที่เก็บบุญเป็นที่เก็บบุญหรือเป็นที่เก็บบาปเป็นได้เก็บทั้งสองอย่างสรุปแล้วก็คือเก็บดีเก็บเก็บชั่วนะเราจะเอาอาไนเข้าไปในใจของเราเราจะขนความความดีแล้วเราจะขนความชั่วเข้าไปในใจของเราอย่างคุณแม่ชีแก้วท่านก็ บ, บอกว่าโลกนี้โลกหาได้หาดีก็ได้หาชั่วก็ได้หาบาปหาบุญก็ได้ หาจากหาจนใส่ตนเองก็ได้หาล่ำหารวยใส่ตนเองก็ได้หาให้คนติชินดินทากับตนเองก็ได้หาให้คนยกย่องสนะเสริญกับตนเองก็ได้เราโลกนี้โลกหาได้เพราะนั้นเราเกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคำสอนของพพุทธเจ้าควรจะหาแต่ความดีหาแต่คุณงามความดีหาแต่สิ่งที่ดีเข้ามาสู่จิตใจของพวกเรา มันจึงจะถูกต้องนะถ้าเราไปเอาขนแต่สิ่งที่มันชั่วเชื้อหายเข้ามาสู่จิตเข้ามาสู่ใจของเราเนี่ยมีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวาย เ, าเกิดพอย้ายพบย้ายชาติเปเป็นผู้เสียเปล่าประโยชน์ว่าเราเกิดมาทั้งทีตั้งตนไว้ไม่ชอบอพอย้ายบ้านไปแล้วก็ไหตกทุกข์ได้ยาก เผลอๆไปตกนรกไปเป็นเปรตไปเป็นสัตว์ธีระฉานอีกไปได้ทั้งนั้นดวงวิญญาณดวงนี้ถ้าพวกเราทํากรรมดีกรรมดีจะเข้ามาสนองเราก็จะมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ เ, เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ถ้าว่าเป็นบาป พ, พามาเกิดมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จริงอยู่แต่หูหนวกตาบอดบ้าใบเสียจริตเป็นบ้า ผลเป็นของพิคงพิการอีกมากมายอย่างพวกเราทันทั้งหลายได้เห็นอันนั้นแปลว่าบาปอากุศลพามาเกิดมาเกิดเป็นมนุษย์อยู่แต่ว่าไม่สมบูรณ์เพราะนั้นพวกเราก็ไม่ไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นควรจะประกอบคุณงามความดีเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเราเมื่อใจของเราเป็นบุญเป็นกุศลนั่นอะอืมเหมือนกับใจมีเงินะอใจมีบุญคือเหมือนใจมีเงินนะ เราจะออกพบนิชาติที่เราจะไปเกิดที่ไหนเราไปได้ทั้งนั้นเพราะเรามีเงินถ้าเราไม่มีเงินเมื่อเราไม่มีบุญแล้วก็ตกต่ําได้ง่ายๆเพราะนั้นพวกเราเกิดมาทั้งทีได้เกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยได้พบพบพระพุทธศาสนาได้พบเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินผู้ทรงคุ ณ, ณธรรมแล้วก็ได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ หลวงปู่หลวงตาทั้งหลายที่ท่านได้นำสั่งสอนบอกกล่าวให้พวกเราเป็นคนดีคิดดีทดําดีพูดดีมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะการกล่าวสัมโภมชนิยกถาในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอํานาจคุณพระศีรัตนาฏไรพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อนุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอให้คุ้มครองขอให้พวกเราทุกทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความความเจริญ